อืมอ oh, really? <ock> <ock> ืม really? อ mm ืมอืมอืมอออะไรมอืมอันนี้มอมมอือมอืมอืมอืมอืมอืมอืมออมมออมม มีกับนเขาครับตอนนี้ก็ไปบ้างแพอันนี้แ่สงสามอย่างนั้ก็มีคนทุกคนตรนะไปกับของเพราะนะไปงหายแบบนั้นหมดอ่าผมของเพราะคนทุกคนตรงยุ่งห่าง้วบ้างแพก็จะเอาของไปแบบยนี้ด้วย บ้านแพงแล้ว น, นั่นเป็นรักกิจพ่อแม่ครูจานนั่นเคยไปพักที่นั่นนั่นแตก่อนผมจึงได้ติดตามเลยไปช่วยเหลือเยอะนะนั่นแหละถ้าพ่อแม่ครูจานอยู่ที่ไหนมันเป็นในจิจเนี่ยนระักบ้านแพงทื่ครับผมขนมอนี่ไปเมื่อจากพ่อแม่ครูจานมาทา่ามือเงิ น, นคือมันเป็นตรงทั้งหมดห่างจากอำเภอมาตั้งกี่โล ก, กว่าแล้วเป็นตรงมาตลอดนะ ดูที่สุวรรณีเลยคท้องไร่ท้างนาเป็นบ้านเป็นยวนติดมาถึงวัดเลยอืมันวัดเลยเป็นเกาะดีกรับชุ่อย่างอมผมก็เลยช่วยสงเกาะเมืองผมก็ช่วยเนี่ยงหกแสนพระราใหญ่ก็ให้ยังผชื่อว่าโกหนูเขาเขาช่วยทางเขาเบื้องมุงนั่งผมหมดเลยนะก็ช่วยให้ เราก็ตีสมพานล่งหนึงลางก็่าล่างกว่ามีสมพานตะล่านกว่าส่วนพารห น, น, นึ่งโอ้มากกว่านั้นอีกเีย ท, ที่ช่วยเป็นชิ้นเปนางสำหรับวัดบ้านแพงไม่เล่นหลังอุ้มเป็นขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่บ้านแพงย้มีสองเต่ามั้รู้ไหม สองเตานะ่ะเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะใหญ่่อืมมันก็นช่วยหกแสนแต่ก่อนนึงมันยังมันยังแทงกว่านั่นงเนมันมีราคาถึงช่วยหกแสนแล้วก็ซาลาอย่างนี้แล้วผู้ธิสมภาก็ช่วยกบสามนีละมเรว่าช่วยมาก ในบราว่าจะเรียกวัดบ้างก็ทีไรมันก็อยู่กลางบ้านก็้ว่านี้เอาน้ำพระแม่กอญจารอยู่ที่นั่นมาพูดเฉยไงล่ะคุ้มกุญจาร์แต่พระแม่กุญารอยู่ที่ไหนต้องเป่นต้องเลยกิจผม <c oughs> ช่วยช่วยวยังก็ถึงนี่ต้องช่วยนี่แค่ทุกปีอย่างนี้จะเป็นว่าทุก ป, ปีเป็นไงไปวะเ <c oughs> ขาท้าแต่เราก็ช่วยเขาขึา้มาเรานี่แหละ บอกไหนๆก็อยู่อืมให้เราเป็นหัวหน้าเน่ยไปสองปีสามปีนั่นนี่ทุกปีเลยปีที่เราไปชาดิเรื่อๆก็มีปีที่ไปเป็นหัวหน้าช่วยเหลือเขาอีกก็มีอ่นี่คนก็มากนะครัวจะมากดีนะมีท่านยังจะสี่ฮะต้กเขาย็นแล้ว รวมก็หมดจ้ฮะเงินสองเงสองพระสีสี่เงินสองให้ยูให้สังเวรระวังให้อยู่หัวใจเจ้ของนะอยาให้ทะเลาะกันอปู่ันขาดนะข้าอย่ยินี้ไม่ได้นะผมเพราะมันมันฟังไม่ได้เลยถ้าเรามาปิะจตบมาทะเลาะกันไม่หยาบมากนะ ภาพบริบัตินันเหมือนผ้ า, าขาวไนงะอะไรถูกนิดนึงแสดงว่าเห็นกักเจอยู่ผ้าขาวถ่ายภาพบริบัติจนจนุดละเอียดก็มากกว่าสิ่งใดอย่าให้สิ่งกับนี้เขาเข้ามาเปิดอมาเพื่อนพวกมูดพวกคูดพวกคราบเบาะนี่พวกมูดพวกคูกก่อย่าให้มีนะเพราะมันชิดไม่พอใจใคให้ดูความไม่พอใจเจของนั่นแหละคือที่ออกแล้วการสํารัะที่จะต้องดูความกระเพื่อมของติกซื ก็เพื่อนของกวยไม่พอใจคนใดนี่ความไม่พอใจนี่ขึ้นแล้วในกลัวของเราที่เรียบออกแผงยึ่แล้วนั่นฟาตัวนี้แล้วมีเะไรค่อยพูดตามเหตุตามผมหอยาให้เกี่ยวไปพาไปไปชำระนะเขาเกี่ยวพาชำระพาไปเผาอืเป็นผู้ปฏิบัติอย่าให้มีนะย่างนี่ไงอุจจาระโยกนี่้าปฏิบัติเรามาทะเลาะกันทั้งเหตุนี่แล้การทำข้อว่าปฏิบัติ ให้ให้อยู่กันทุกคนนะให้ก้นเบาหลองแทวทุกสิงทุกอย่างหน้าที่ต่างานให้ถือเป็นจิตวิทของตัวเองทุกคนคนผมกับเรามาปฏิบัติธรรมนะอย่าว่าคนองค์นั่นจะทานี่ทำใช้ไม่ได้นะคนนั้นเหลวไหลแล้วแหลกเลยไม่มีหลักมีเกณนนะ์อะไรข้อวัดปฏิบตัติทุกคนจะทำเว้นแต่ผู้ที่ไม่ขันเราก็เคยปวดรา้าวใจแล้วใครไม่มาขัน แล้วก็มาต้อมายุ่งในการงานนี้ให้หน้าตั้งหน้าตั้งตาทําภาวนานี่รรเราปวดโอกาสให้ตลอดมาแล้วตั้งก็เรื่องสร้างวัดอะไม่มาทําากรงานกับหมูกับเพื่อนให้ทาําหน้าที่ของตัวเองแตาสำหรับผู้ที่ขบที่สารอยู่ให้ทาหน้าที่การงานอ ม, มีความความเพียงสมัครขีใจพ้นเบาหูตาสอบส่องดูแลสิ่งนั้นถึงนี อยู่ก็หมู่ ก, พวกวนเพนือ้อหม่มันขอใหลเาก็พูจริงนะ่ะผอไม่ประมาทหมู่เพื่อนผมเป็นอาจารย์สอนหมูพ่พื่อนควรจะมีตรงไหนจะไม่จะมีได้ไงนี่อยู่ว่าเสื้อเสสร้างสร้างเยอะประมาณนะี้ไ่ะข อ, ของของกาย่ายนะนอกจากไม่พูดฉเฉยแอบมันรู้กันือนะพูดจริงๆไม่จะคุยนะธรรมชาติแบบนี้เป็นเองนะทำต้องต้องว่าเหนือโลกทีมันเหนือที่เด็นั่นเอง ควเ้า้ ก, กายาย้งของเย็ดออกแงไหนมันจะลับมันจะรูดทันทียว่าจับได้ว่างั้นะมัอจะจับได้จัได้คือมันรูดทันทีทันทีมันอยากขนหนไหนที่เดียวทำละอียดขนาดไหนทำมจะไม่ไม ร, รู้กันว่าจะได้ออกมาไอ้เรื่องบริขารจสอยี่ควรจะส่งข้อสงหาไปทางวาดัวดใดวัดใดให้ฟักันที่ไหนเออนั่งอยู่ใโอลงโกดังควรจะส่งข้อทางไหนคารวะจ้าโยมีย ทานเรียนที่ไหนยามมากองเกลื่อนแล้วนี่นะาดกระปาแล้วนี่ยไม่เหมือนไทยนะผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นที่ว่าจะจะหนีชี่ิตเพาะนั้นนผมผมุงจริงผมไม่มีแม้ตั้งแต่การปฏิบัติอยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเรียนหนังสืออยู่ผมก็เกิดมาในนิสัยของผมเองเอาจะบพคุณว่าตัวส้าหนูแต่ใจมันไม่เส้าหนูนะมันกว้างขวางจริงจะอยู่ที่วัดไหนวัดไหนนี่เพื่อนูงจะเยอะนะทับผมนะ คือเป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะหนา้นาคณะคณะผมเนะนี่ยท่านเหนื่อยมากสุดเพราะอะไรได้อะไรมาเป็นเยียวกันหมดนั่นนะต้งแต่เรียนหนังสือนะไม่ว่านั่นเป็นของท่านมีหรนห้องผมนะได้มาอะไรมานี่เป็นเยียวกันหมด ต, ตด้องตีเรียนหนังสือแล้วยิ่งออกปฏิบัติแล้วด้วยแล้วยิ่งไม่สนใจก็เลยเลยนี่เป็นอย่างไร น, นะแล้วปฏิบัติมาอย่างไรดันนงนั้นจะมากอรอองในวัดนี่ อทิ่งเลยรูอแบบติ้งเหยียบไม่มีไม่ได้เป็นวัดเนี่ยวัด น, นี่มีความเมตตาเต็มศักดิ์เต็มควรตรงไหนควรจะสงข้อตรงไหนเป็นประโยชน์แกใครให้ให้ให้กันไปกันไปนั่นแหละทาไปอย่างนั้นอางนันจริงยู่ได้กันชนิดหมดคนเราถ้ามีธรรมในใจแล้วมีความเสียเหยื่อผัวแพร่มีความให้เหลือแ้็งใจช่วยเหลือกัอนไม่มีคําว่าชาชนนะติชังนวรรณะแม้จะสัตย ก็ต้องการความเสวยเหลือมันกันต่อมนุษย์เหตแต่มนุษย์จะมันช่วยเหลือกันนั่นนั่นอยู่ตรงนั่นนะคนเราม่เห็นมีเห็นอกแห็งใจไม่เห็นแต่เนื้อแต่ตัวเนั่นแหะมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเห็นอกแห็นใจซึ่งกันและกันสงฆ์ก็สงหาให้อภัยกันง่าด้วยนะธรรมนี้ให้อภัยไม่ควรถือศีจีะหรือกดหคือเคร่งอย่างเดียวทำอะไรมันจะเกียงตั้งใจให้ดูหัวใจเของกันที พอเรามาแก้ใจมาระรับดับติเลสทีใจซิเลสแสดงมาเออออกมาแล้วหรือไม่ว่างนันสิสมมูลไว่พอใจคนนั้นความไม่พอใจนี่คือเรื่องของเราเองเป็นผู้ก่อขึ้นมาเนี่ยกับตรงนี้ก่อนฟาดตรงนี้มันพังลงไปด้ท่านยังเรียกคู่มาแก้ที่ต้องดูตรงนี้สิไปดูอะไรข้างนอกฮะต้นะต้องเสาจะไปโกดมัไดนะ้ถ้าใจมันเร็วเสียอย่างเดียวต้นเสามันก็โกดนะเขาได้ไงคูเขาต้องลูก ยิงฝ้าอากาศโกรธนันเขาไม่พอใจเขาได้ถ้าใจมันเร็วสิอย่างเดียวว่างั้นถึงข้าใจเป็นนักปฏิบัติมีเสียดต่าง ก, กันจัดชี้เยือที่มันแสดงวิจัยสำคัญเรท่องา ม, มาขึ้นในใจขนาดไหนจับปุ๊บจับปุ๊บับปุ๊นั่นจึงเรียกผู้มาแจ้ตัวเองสิอย่างไปถือภายนอกนะให้ดูตัวเนี้ตัวมันจะเพิ่มนี่แหละการปฏิบัติทําต้องเปนอย่างนั้นนะ ต้องดูจุดคิดก้นเ ห, เหตุมหาเหตมหาเหตอยู่นี่อยอย่งางพระสัชชิตพระสายุบุตรก็นั่นแหละทำเมื่อไตัวใจเหตุคือใจมั น, ะน จ, มจะดับคือดับที่ตรงนี้ก่อนนั่นพระชายุบุตบรรลุธรรมพระโสดาขึ้นขันเทอเห็นไหมอ่ะท่านเจ้าเอาออตรงนั้นเลยไม่เอาที่อ เยสมาเหตุจู่หัวเจสังเหตุจงชาติโตเจสังใจโยมโยโศใจเอลังอดีมหาสมโนเป็นบาดีว่าอย่างนั้นท่านเมื่หลายเกิดจังเหตุเมื่อเหตุนี้ดับก็ดับเนะมหาสมณะเสดงอย่างนี้ว่างแงนแป้วนะผมมีตูวจามาชุ่งแน่ชุ่งมุมละเพราะอํานาจความไม่ต่างละในวงปฏิบัติเวลานี้จะเหลือแต่วงปฏิบัตินะพอที่จะ อบอุ่นไว้อกไว้ใจเป็นที่เป็นร่มเป็นเงาของประชาชนได้เห็นหมัหมภาคกลางภาคไหนก็อยู่เขาหลังไหลามาภาคอีสานเนี่ยผมต้องเลยว่าไอไปทึ่ไหนผมเตือนท่านเองอืมเขาจงหลังไหลามาแล้วก็เขาเห็นว่าเป็นที่อเขารบเลื่อนสเป็นที่พิ่งเพิ่งเพิ่งใจเป็นที่อบอุ่นได้เขาก็มาสมบัยเงิ น, นงทองเขาขอ ม, ม, ามีมากมีน้อยเขามันเสียดายนะเขาหาที่เพิ่งที่เกาะไอ้ที ไอ้ที่ดูสิไอ้เราเนี่ยมาทรมความหลุดเนื้อหลุดตัวไม่ได้นาว่ะอ่าดินเหยียวทิ่หัวเขาสงสัยว่าตัวปฏิบัติจี่เป็นบ้าขึ้นแล้วดิ่เหยียวที่หัวมันพระอะไรอย่างนั้นเขาตีสินยิงธาเขาอยู่เขาสันเสนิร์ฟเขาอยู่ให้ดูกลัวมันออกรับมันจะคอยยิงยิงแล้วจะทางไหนบ้างดูตัวนี่จึงเรียกว่าคนไม่ลืมกลัว เวลาเนี war, ้แค so so ่ประมาณน่าสนาปแช่งเราไม่จำมีเอาความจริงมาพูดนี่เงี้ย้าเหลืองเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่แล้วหาที่จะเกาะจะยุบมันก็ไม่มีแต่มีจะผ้าเหลืองผ้าเหลืองคุมหัวร้อนหัวร้นเจ้าของเองมันทราบเ่ามีสิงสักสิงก็ไม่มีก็ไม่ทราบนี่ฮะเจ้าของเองก็ไม่มอยากมีเกียรแล้วใจเขาเขารมนั่งใส่ที่ตรงไหนนี่ค้นไม่ว่าใจเขาใจเราคนเราหาที่เกาะที่ยึดุบ การทำที่พื่อของตัวยังให้มันได้สียเวลานี้ยังไม่สนใจกับอะไรนะให้สนใจตัวเองให้ดูตัวเองมันได้มันเสียมันมีมากมีน้อยแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเรื่องภายนอกให้ดูความบกพร่องที่มันกําลังแสดงอยู่ภายในใจของเรานี่ทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถนั่นถึงถูกต้องกับคู่ปฏิบัติตัวเองนะอย่าไปดูที่อื่นนะ นี่เวลามันดีแล้วมันหนักเป็นเองมันปิดไม่อยู่แหละอืมอยู่ที่ไหนเขารู้ทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนมีความสําคัญยังไงมันรู้หมดพวกนี้หูดีตาดีเพราะสอนแสวงหาครูอาจารย์อยู่ด้วยดีแล้วเนี่ยทำไมจะไม่รู้นี่เราที่เห็นว่าทางภาคอีสานมีประชาชนมาไม่ว่าภาคไหนภาคไหนก็มาภาคอีสานภาอีสานแล้วภาคอีสานจะเป็นบ้านนาวะพระนะละว่างนะนี้นะเขาไม่ได้า ม, มาหาเพื่อเป็นให้พระเป็นบ้านนะา่ะ เขามาชมเชยมาเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงหรือไม่เขามาชมเชยแเราให้ปรับตัวของเราให้ดีขึ้นทุกลำรับเลยฉะนั้นผมแบ่งผู้จริงผมมันหมดทุกอย่างแล้วไอ้เรื่องความชมเชยฉะนั้นเสรนิ น, นี้มันเป็นถังขะยะทั้งนั้นว่างองค์เลยนะ mm hmm. เพราะนั้นการเทศนาว่าการผมต้องเทศได้ทุกแบบทุกฉบับที่จะเรียกว่าไม่มีบัญชีก็ได้ไนงะบัญชีของสมมุติบัญชีของข้อของเถื่อ ไพ่รอบพ่อพิ้งดูด่าว่ากล่าวนี่มันเป็นเรื่องขอบเสียของมันอผมพูดได้ทุกอย่างผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไปเลยนี่เรียกว่าธรรมเราก็ยกตัวอย่างตัวอย่างอย่างกรุ ง, ง, ง, งเทพธัวมาเนี่ใครจะคำนวนไพ่ลอบพ่อพิ้งในกรุ ง, ง, ง, งเทพว่าเอเรานี่เป็นพระป่าฟาดก็ไปเปี่ยงตั้ ง, ง, งแล้วนี้เขาเลยไม่ถือสารกรุงเทพเรียกว่าคนนอกบัญชีดุเท่าไรยิ่งคลานกันมาแต่ก่อน เขามาหาดุเขาเนะีเขากลัวเขาก็วินหนีแล้วเขาไม่กล้าเดี๋ยวนี้โอ้ยเขาเขารู้เรื่องนีิสยัยแบบของเราทุกอย่างแล้วโอ้ยดุเท่าไหร่ยิ่งคานก็มานะกว่านี้ยิ่งเหนียวกว่าใขาา่ไกนะเหรอเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแล้วพ่อพ่อพูนพ่อพูนแบบบ้นึ่ว่าพ่อแม่กับลูกเลยนะ เ, เราไม่มีอะไรมันก็ถึงกันเองเรื่องอันนี้นะอเดี๋ยวนี้จะไปหากินเรื่องด้วยดุคนในผ้ากางนะ ยัจนยังกุงเทพเต้นละแต่ก่อนหากินได้ดุเขาเขาก็หนีเปเขาก็ไม่มากวนนี๋นี่อย่าไปดุนะยิ่งดุถ้าได้ยิ่งคานก็มาล่ะเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่กุญจาร์มั่นโอยผมมาขี้นาเทียบกันได้สัดส่วนเลยนะอยู่กับพ่อแม่กงญจารมั่นทีแรกแล้วชูตัวสั่นงตัวท่านดุแต่เพราะอย่างยิ่งก็ท่านเจีย้ยนี่แหละท่านขนาบเราเหมือ <c> น <oughs> เราก็อยู่ใหม่ๆ รัวจนตัวสั่นนะอาจารย์เจียรติท่านนิสัยนะเคยอยู่กับท่านมาตั้งดิ่งเชียงใหม่เนี่ยเหมือนพ่อกับลูกนะอาจารย์เจียรนะท่านสนิทกันขนาดนั้นเมตตาขนาดนั้นะเลยเราไปทีแล้ ว, ลวโห้ยไปตัวสั่นเลยท่านอยู่ไปอยู่ไปฟังไปดูไปดูไปแล้วดุเท่าไรอ้าวธรรมะยิ่งออกตอนดุตอนดุ อ, ดอัมันฟังแล้วก็ปรับใจตลอดปรับใจจ้ของก็ไปเลยแม่กันรับก็ไปเลยที่นี้โอยถ้าท่านไม่ดุไม่สบายเห็นไหมล่ะเนี่ย ถ้าได้ยินเสียงเปี้ยงปางแล้วเอาแล้วที่นี่ฝนตกนั่นเห็นไหมคือเวลาท่านดุเด็ดเท่าไหร่ธรรมะยิ่งออกตั้งแต่ธรรมะสับสนร้อนดังถึงพริกถึงถึงฟังแล้วถึงใจถึงใจนั่นอถ่าท่านไม่ดุมันยังไงเช่นอย่างวันประชุ ม, มนเนนี้ผมเนี่ยตัวสําคัญนะอฮึคุณผมก็โกงเงี้ยแหล ะ, ะถ้าประชุมกะระู่แล้วว่าท่านจะประชุมเทศนะแต่ท่า น, นเทศธรรมดาเรียบเนยนั้นถึงบริพญาณก็เหมือนอยังว่า โต้ะเก้าอี้ที่เรารับทานอยู่นี่น่ะเหมือนนวคลาดน้ําปลาแม่เดนี่ยน้ําปลามาตั้งไว้เครื่องประกอบอาหารอีกอันนั้นก็เหมือนกันท่านเทศขึ้นถึงนี่ทานก็ตามมันลักษณะมันจะเหมือนมันขาดอะไรอยู่นะถ้าท่านเปี้ยงบ้างแล้วขึ้นถึงนี่โอ้ยถึงพี่ถึงถึงเราจึงต้องมีละผมเนี่ยเออส่วนครูบาอาจารย์ทั้งหลายลูกพระเนี่ยทั้งหลายก็ไม่มีใครกล้าพู่อย่างผมผมมันพูดตามนิสัยของ ท่านก็รู้นิสัยนะพูดเนี่ยนั่นอะไรนี่นี่นั่นนี่นี่สักเดียวก็ไปโดนท่านเข้าเลยที่ไม่ใช่สัตว์ตึงเราโอยที่ดีเอาอะไรดีเอาละที่ดีเปิดกอกได้แล้วไขกอกได้แล้วที่พุ่งพุ่งเลยฟังอย่างถึงใหญ่เลยนะถ้าวันไหนท่านเปี้ยงป้าเสยก่อนเทศแล้วนะนั่นเราทำมาออกเต็มเหนียวแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะเวลาท่านดุให้ใครต่อใครเลย เราโอ้ยสงสารเราเขาไม่รู้เดยแล้วเรายิ่งอบอุ่นนะอันนี้เหมือนกันนะอย่างพวกกรุงเทพมุกติดูงหาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้มีลักษณะอย่างเดียวว่าเขาไม่สนใจเลยนะไอ้ที่เราดุเราด่าเลยดุถ้าเรายิ่งคานก็มานะเห็นไหมมันก็แบบเดียวกับเราก็ที่เคยอยู่ครัวจานมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันตายใจมันทุกอย่างมันซึ้งถึงใจแล้วนั้นก็อยากฟังที่ยังซึ้งมาเสีย ว่าเราเองเราก็เทศแล้วว่ า, าง ไ, เไงเร า, า, า, า, าก็ไม่มีอะไรกับไข่กับพลังของธรรมต่างที่ออกดูดาว่ากล่าวขนานไรไม่มีแต่พลังของธรรมนัณม์ไม่มีกิเลสแสงแสงมาแม้ไม่ทีไม่สายเลยดเมืฟังแล้วเป็นธรรล้วนไขม่มก็รู้ดีว่าก็มาหาธรรมเยอะทำไมรู้ไงไต้ไงอย่างฟังเทศพ่อแม่ครูจารั์ถ้าจะลงเปี้ยงป้างเราโอ้ยถึงใจเลยใครยุกสิ่งไหนเลยลุมมานะถ้าได้ยินเสียงเปี้ยงป้างปั ง, ปงเนี่ยถึยงอันนะ บฟังเทศก็พบแม่ของจารย์่าเวลาประชุนเนี่ยมันมักจะมีแหละผมอ่ะมักจะมีเรื่องนั้นจะมีสอดมันแท่งนัไปจนไปโดนทำท่านจนได้พอโดนเรื่อเรียกว่าไขากอกได้แล้วพุ่งที่นี้ฟังไม่ถอถึงพริกถึงถึงมังงงะนล่ามกันนะแต่เวลาท่านเทศธรรมดาเลยเด็กขนาดไหนฟังก็ก็ ก, ก็ซึ้งแต่ แต่มันยังไงล่ะมันไม่ถึงใจอย่างที่ว่านะถ้าท่านเปี้ยงป้างมาแล้วโถถึงใจเลยมีอะไรไหมมีอะไรมีน้ำอะไรเนยโอ้ยให้ฉันดูวันเนาะก็ไม่ดีเลยเันเดี๋ยวมันเขาหมอก็ว่ามันมีอะไรนี่อะไรลุลเล่นๆนะสับหมอเขาไหนเอาไฟเบาวๆนีดหน่อย ไฟเทียนหรือ ไ, ไฟอะไรมาปิดนิดหน่อยระยะนี้ก็ไม่คันนะถ้าแพ้อะไรมันคันนะมันออกทางคันนะผมพรแก่มาแล้วมันคอยแต่จะจะล้มละลายตลอดเวลาน้าถ้ามันแพ้มันจะบอกทางคันมีคันเลยะระยะนี้ไม่ค่อยคันยังมีอยู่ มันมียาเสพติดอย่างนั้นใครๆก็ไม่รู้แต่เรามันรู้ ท, ทันทีคือมันจะบอกในธาตุนะธาตุขันนี่เอาฟินมากินมันติดได้นะเ้ธาตุขันน้ำผาให้ติดหัวใจไม่ติดธาตุขันมันติดจะว่าไงอ่าน้ำมันถึงที่พวกยาเสพติดหเนีไยใครกินติดได้ทั้งนั้น เพราะมันธรรมชาตินี่มันก่อมธาตุได้ถึงก่อมใจไม่ได้ธาตุมันก็ติดของมันนั่นแหละธาตุขันมันเป็นสมุติธรรมดาน่อสิ่งใดที่ควรติดมันติดได้แต่กิดนั้นไม่ติดอ่ถ้าดวงได้ผ่านอันนี้หมดแล้วเอาอะไรมาให้ติดไม่ติดทั้งนั้นแหะเพราะมันสมมุติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมุทรนั่นมันขาดกันแบบนั้นนะแต่เรื่องธาตุเรงขันด้วยกันนี่เนื้อเอาธาตุขันนี่ละ เอายาเสตปิทมาติดได้กินแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ไดมันมันชอบแล้วนะมันดื่มดื่มพวกมันเลยกินเนี่ยอย่างนั้นนะอะไรนะมียาเสตปิทที่แรกผมก็ฉันบ้างแต่มันประกอบกับอะไรเพื่อลูกหัวใจมันมีดีหัวใจด้วยแล้วมีลักษณะชักหยักฉัน ถ้าหยอกขันลักษณะเป็นลักษณะติดขันนี่มันติดลักษณะอันนี้มันมียาเสพติดในดูขันมันมันดูดเจอกันอันนี้แล้วก็อันนึ้งก็มันมีอะไรอันดีบดูข้อใจผมก็เลยเริมเลยเริ่มทั้งสองโมเดลหนึ่งอันนี้มันเป็นยาเสพติดในด้วย สองมีให so okay. okay. mm ้ใจด้วยเลิกปต้องทำโดยตั้งใจมาไม่เต็ะแม่ขวดเดียวไม่เคยนะเพนั่นแหะนิสัยผมถ้าว่าอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นละถ้าได้ถึงใจแล้วเป็นขาดกับบ้านไปเลยไม่มีแล้วเอะเอะๆถ้ามันแม่แล้วมันมันเลิกได้ทันทีเลยเอาเหยียบขวดก็ไปจับเลย ไม่ามากอ่นนี่วันนี้เห็นเลฉันโอ้นี่แหละไปฉันอันมี้แล้ น, ฉ, นฉันทูกวันนะก็ไม่ดีนะเพราเข้าว่าเนยนีมันเป็นมีอะไรหนะ้าหมอมีทูนสามีของหมอพิจลาบอกว่ามันมีอะไรมันจะอะไรมันจะไปอุดตันเส้นโลหิตไปเลี้องสมอง ว, ว่างั้นนะเพราะงั้นพอไดีนะแล้วผมก็งดมันไปแล้ว พิ่งมาเริ่มฉันแต่ฉันติดต่อกันเลยก็ไม่เอานั้นเราว่าฉันเป็นธรรมดาแล้วแต่จะฉันวันไหนเช่นอาทิตย์หนึ่งฉันนู้นน่อันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันทุกวั น, ท, วนทุกวันนี้ก็มันสางสมได้นะเนี่ยนี่วันจะมาวันที่2ิบสี่นี้ก็โอ้เดินทางไกลด้วยนะ นี่นประเทศที่ประจวบประจวบนี้ในมวลประเทศได้สองทั้งแล้วนะประจวบที่ประจวบนั้นก็ได้ทำกาแพงให้วัดที่ประจวบวัดน้องบัวทางลงสายใต้ทางรถยน์ควักฝ่ายอยู่เนี้ยรถยนไม่มีเวลาเลยผมไปพักทีนนั่นประเทศจีนแล้วไป ม, มองเห็นรถยนตโอยไม่ได้เรื่องเลย ท่านนั้นวัดนั้นเป็นวัดท่านภาวนาด้วยนะรถมันอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นตลอดอืมเสียงลั่นอยู่ตลอดเราไปดูพักนั้นคืนหนึ่งรู้ทันทีตื่นเช้ามาก็ออกตะเวนดูรึกว่าพอไปดูเสร็จแลียร้อยแล้วก็นิมนต์สมพานมาหาเลยพูดกันกับกลางวัดเลยพูดถึงเรื่องทาำบำเพ็ญนี่ไม่ได้แล้วอ่ะผมดูแล้วว่า ไม่สะดวกเลยครับแบบสำนักภาวนายอย่างนี้นะวะผมเลยตกลงให้เลยเอากันเดี๋ยวนั่นเลยเอาให้ท่านทำเป็นความตกลงเหมาะสมของท่านเองนะบอกเอาทำให้สุดนี้เลยความสูงความต่าให้ท่านกำหนดเองเนี่ยทางรถที่เหมางจริงก็ควรจะให้สูงนะวะทางด้านนี้มองไปย้ายเห็นรถยนต์รถยนต์ขนาดไหนก็อย่าให้มองเห็น ให้กำแพงนี้บางไว้หมดเช่นรถบรรทุกก็าตามจะให้มองเห็นรถ่ะถ้าได้สูงให้มันเหมาะสมัและดีวางั้นแล้ ว, ลวก็เมื่อมองไม่เห็นรถ ด, ด้วยแล้วเสียงมันม า, ม า, ม, า, ม, า, ม, ามากระทบกำแพงมันก็ขึ้นข้างบนมันไม่มากวนนี่วันประเทศนั้นก็ไปพักกลางวันไปพักวันนี้แหละท่านมาโอ้ยที่ ด, ดีดีเหลือเกินจัง โอเดี๋ยวนี้เงียบเลยวะางนินรถก็มองไม่เห็นเสียงก็ไม่มานเนีน่เสียงหายเงียบไปเลยวะก็ไม่เงียบไปสิมันมาโดนกำแพงป้ามันีลมันก็ขึ้นข้างบนมันไม่ได้ไปไปชนหัวอกพ้าว่านี่แหละไปพากเที่ยงงูยไญ่นะจากกรุงเทพไปเท่าไหร่สองร้อปดิ็ดกิโลที่วัดอันนี้ออกจากนี้ก็เข้าประจวบนะ่มันอยู่ไล่เลียกัน สองรอยแปดทุ่มเกือกตีโลตั้งเทมไมล์แบนั่นคงอุตสาห์ไปนี่เราไปะะไกล้ที่สุดแล้วนี่ยอุตสาห์ไปอยู่อยิ่งไปไกลกว่านั้นอย่างโว้ยนั่ไหวภาคใต้เนี่ยมันดินฝ้าอากาศก็ผิดกันยิ่งหน้าฝนนี้โว้ไม่ได้แล้ะมีฝ้ามีฝนมีอะไรอะไรแล้วก็ประกอบกับธาตุขันเราม่าไม่เอาไหนแล้วเดี๋ยวนี้นะมันหดเ ข, ข้าหอดเข้าไม่ว่าจะนั่นเลยแม้จะใกล้มันก็ยังไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้น่ะ มันหมดกำลังจริงนะผมอ่ อ, อนลงอ่อนลงแล้วมันเป็นสมัยแกเพื่อเป็นเวลาเราแก่ได้ด้วยอันนี้นะมีจะวันอ่อนลงอ่อนลงมันจะคลื่มหน้าได้ยังไงมันก็อยู่เองกังแหวงที่ว่าวันนี้เอเราคำนวณดูนะ มันจะได้สามเมตรความสูงนะสาเมตรต้งทำดีแน่น้นามันคงเพราะุม้มมออไปท่านหมดนความแน่นหนามันคงและความสูงต่ำขนาดไหนให้ท่านพิจารณาเองบอกนี่เลยยาเม้าผมเป็นเป็นอารมณ์นะว่ากลัวจะสิ้นจะเปลืองยาเอามาเป็นอารมณ์ เวลานี้ผมต้องการความแน่นหนามั่นคงของวดัดความปลอดภัยของวัดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงมอบความไว้วางใจความเหมาะสมให้กับท่านทั้งหมดนะบอกงี้เลยนะพูด ก, กลางวัดเลยเหรอความยาวนี้กันนี่แหละที่สุดฉีดนี่แหละเอาเอาให้สุดฉีดนี่เลยบอกท่านก็นทำตามนั้นแล้วความเหมาะสมความแน่นหนามั่นคงให้ท่านพิจารณาให้ได้มาตรฐานทุกอย่าง อยามาคำนึงกำนวลถึงผมว่าสิ้นเปลืองเร่งนี้ไม่นะผมทำเพื่อวัดนี้นะบอกคงเลยอะไรมันจะดีแล้วให้ทำนะให้ก็ตามตามนั้นล่ะยี่ทุกอย่างไปเห็นแล้วชอบใจเลยกําแพงมั่นคงคอนติดไม่ใช่ธรรมดานะคัมแพงคอนตีด หนาแน่นมั่นขงมังเราไปดูหนึ่งต่เดินดูยิงกินเออแล้วยงนี้ผมพอใจ ก, ก็บอกคงเนี่ยน้นี่ท่างก็ตั้งใจปฏิบัติเ้วชมเชยเราจะสนับสนุนถ้าผู้นั่งตั้งใจเป็นจิตเป็นธรรม ถ้ไม่ตั้งใจไปแต่เป็นธรรมนี่โอ้ไม่เล่นด้วยนั่นนี่เข้าเหยียบวัดยังไม่อยากเข้าไปเหยียบด้วยซ้าไปวะอมเมือก่อนเรไปพร้นี่เราทรางวัดก็ไปหาหาที่วัดเราก็เทศได้ฟังไม่มีใครเทศอย่างนั้นลเลยหรือเราเทศนี่อือพูดถึงวัดเออวัดมันเป็นวัดป่าช้างเงิน ป่าช้าพระหนึ่งระว่างนี่ป่าช้าเงินเนี่ยก็เงินเขาก็บวชไหว้พระอย่างนี้นหมดนะว่าไปเผาศพเมนีน่เผาศพคนเงินนั่นเผาศพพระระว่างนี่แหละอนะต่าวัดไหนมีเมนแล้วมดัดละเรื่องอัดทำภายใจไม่มีเหลือแล้วระว่างนี้แล้วพูดเลยพระวัดฟังก็เอาความจริงมาพูด อยางนั้นเราทำไปรูปหน้าพระจมูกอะไรพูดอย่างโก่งไปโก่งมาเข้าก่อนนั้นก่อนไหวพระคนม า, มากๆก็าตามอย่างนั้นแล้วเอาทำบมาถวายผ้าถือเอาไปเองเอามาวางต่อหน้าผมผมก็โดดต่อหน้าเลยฮนะึท่านมาจากว่าเป็นว่าใหญ่เป็นอย่างนี้ด้วยกันหรือนะท่านนั่นสิสั้นกันไม่ได้ลย มันมจับเงินจับทองนี่คืออะไรละนี่วะเอามาจับมาทำไมผมไม่ได้ยินดีในทองนี้สนใจในทองยิ่งกว่าสนใจในพระนะว่าเขาบอกนี่เลยดุกอด้วยนะพระบอย่างนั้นแลยมันเลลททหมดลหน้านี่นะวอืเอาเสตออตไป ยังต่ำเท่าไหร่แล้วไงสามทุ่มสิปารท์ทีเทศมันได้เท่าไหร่ด่าสิบห้าเอเทศตะยี่นี้ว่าเท่าไหร่หรอเออสา ม, ม, ท, ม ท, า ท, ทุ่มสิบห้านาทีอันนี้มันเลยมาสามสีนาทีกว่านี่ กระพงประมาณที่หกิเจ็ดนาทีาการภาวนาผมเคยเป็นสำหรับนิสยัยของผมรู้สึกจะมีแป๊บก็ไม่มีใครเคยมาเล่าให้ฟังนะเรื่องภาวนาที่ที่อย่างผมเป็นนะแต่ผมมันเป็นเนี่ยอย่างนั้นนะนีอย่างมนลงแบบเพิ่ เพิ่มเก็มีแบบค่อยสงบลงไปลงไปนี่ก็มีมีเรื in encant, in ่องว่านิสัยนิสัยหนึ่งอะที่มันเพิบลงไปเนี่ยนิสัยมันมันมักจะรู้สิ่งนั้นที่งนี้นิสัยอันนี้นะอันนี้อะนิสัยนี่ยะที่มันไปรู้สิ่งต่างๆไปแปะต่างพวกเปรตพวกผีเทวุเทวดามันลงอย่างแล้วมันค่อยลงมันอย่างี้ยวางนี้ ไม่ค่อยจะรับทราบสิ่งอะไ ร, รนั่นนะทีนี้ผมมันเป็นยังัง น, นมันเป็นสองอย่างเนี่ยคือให้มันเป็นเองนะเราแต่งไม่ได้นะสิ่งของอต้องเป็นเองไปตกแต่งไม่ได้ทั้งนั้นแล่ละเรื่องนั้นต้องเป็นหลักธรรมชาติของมันเองนะอย่างที่มันลงอ้สงห์โหแนวลงไปงนี้มันก็มันก็เป็นผม แต่ต้องมันเป็นเองนะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นทอ้งมันเองที่เวลามันจะผึงนี่มันเป็นเข้ามาเองผมมันเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยผึ่งเะไรย่างเงี้ยเพรานี้พิจารณารอบทุกขเวทนาก็อีกเหมือนกันก็เป็นสองอย่างคือพิจารณาทุกข์กษัตริย์เวลามันหักหัวมากๆมันทุกข์มากๆนี่ กินมันจะหมุนน้มันติวต้ว้วออยเทุกมากเท่าไรสติปัญญาไม่ยิ่งหมุนน้มันอย่างแรงอย่างรวดเร็วคือมันจะหาทางออกมันออกจากอำนาจของทุกเวทนาที่บีบบังคับสติปัญญาก็หมุนติ่วติ้ติต้พอมันเล่าแล้วผึ่งอะไจงเนี่ยถ้าแบบนั้นแล้วมันหมดนะร่างกายเหมือนไม่มีนะ แล้วทุกเวทนาก็ดับไปพร้อมกันหมดเลยเนี่ยวันมันเป็นสองอย่างมันก็พูดได้เต็มปากก็ได้ต้องมันเป็นเองนะจะไปตกแตกไม่ได้นะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็อย่างหนึ่งพี่จะนามันรอบเขามันเต็มที่แล้วทุกขเวทนานี้มันจะมากแต่น้อยไปเลยมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งทุกเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงหนึ่งจิตเป็นความจริงหนึ่ง ต่างอันต่างจริงจิตก็แน่วลงเต็มที่อัดขามาตรฐา น, นเหมือนกันแตอนน่อันนี้นั้นมันรับทราบในเรื่องทุกเรื่องกายอยู่กายก็ก็เป็นกายทุ ก, ก็เป็นทุกแต่มันต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันมันจะหนักขนาดไหนมันก็ไม่กระทบนี่มันก็เป็นอ๋อทุกเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้คือไม่กระทบกัน อันหนึ่งมันพอมันล่อแล้วมันลงผึ่งมันลงผึ่งแล้วอะไรแล้วก็ดับไปต้องเบียกันหมดเลยผมมันก็เป็นสองอย่างสองอย่างนี่นะแต่อย่างไรก็ตามเถอะให้มันเป็นตามนิสัยของตัวเองเรื่องปรุงแต่งโอ้ยไม่ได้อย่าไปปรุงว่าไงจ้าวครับมันเป็นไม่ก็เป็นถ้าหลงได้ปรุงไปแต่งมาแล้วมันต้องไปเองนี่มันเปลียนมาก ในวันวามเข้าวกับมือก็แบบจำเลยเคยเอาเวรมาให้ท่นันกอคยแยกจากันหมกันเถอะคน้ัเข้าวพกแก่กับมือใกล้ๆคือหนุ่ร้อาไปที่ทังมเข้าตัวก็อยู่อ่นจะเรื่องความเผมไม่ทผ่านให้เป็นความจำเป็นนั้นเป็นธรรม ถ้ามปนความไม่ใช่ช่ำหรือว่าสะยวกสบายไม่เป็นช่ำเนี่ยกล่าวกันนี้นะผมก็มีบายได้นะคุณวันมีสบายได้เจ้าที่ผมไม่ไปเพราะอะไรเพราะผมไปมายุยยยแล้วก็เมือยก็เมือยแลวิงอย่างเนี่ยยกหัวชนดึงเนี่ยผมเลยไม่ไป เรื่องกิก็บายผมงได้ดูแต่ไม่รบรองคงนั่นคือเขาก็เมย์ก็เมยชายบ่ายเมยก็เมเก็ยครั้งขงมันก็บอกนะทัะวินเวียงยิงเวงพนแบบก็ย้มใหญ่จรงเนี่ยผมไม่ตายเพราะอื่นเองข้าวเขาไม่ยุ่มก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยไม่ได้ผก็รู้อยู่แล้วพื้มันก็เป็นได้่จริง ผมเรี่อยให้ผมเพื่อนเป็นสบายเราไมีครอวครับป็นสบายเป็นทบายถึงเวลาก็มากิ้งเลยยุ่งแค่ก็มั้งกังดูไปถึงเวลาเงื่อนควรใจกยแ้วก็เงื่อนไปห่วงเพื่อนสูงมากนะต้องแปดอย่างแคร่งที่จะมาห่วงก็ของกับไม่มีเลยนะไม่มาถึงให้ใจก็ไม่มี ก็ไปดปึงห่วงพื่นสูงเพื่อันอันดับหนึ่งประชาชนก็ไป็ันดับต่อไปถ้าหนึ่งผู้ปัจจุบัเน่เป็นอยกัอเเอยกเด่นของประชาชนควรจะอยากเลือกเด่นในการตัวยืนแบเหมือนอะไรนี่ภาพกรรมฐานนี่เ ก, ก็รู้สึกว่ามีมากอยู่ทางภาพวิสานตอนนี้มันก็ค้นอยู่กับรากสายด้างเดิม คือพ่อแม่ครูใจมั่งท่านก็อยู่ภาคอีสานแม่ยังสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เรียกอัดกระซำจากสั้นจนเป็นครูบาอาจารย์มาส่วนมากมาวนตเป็นภาคอีสานเพราะฉะนั้นภาคอีสารจึงมีพระมากพระกรรมฐานมากพราะพื้นเพลิงเป็นอย่างนั้นมาสำหรับครูบาอาจารย์ที่ตายใจตายใจเรียนชีวปท่านไปอยู่ที่ไหนลูกศิษย์ก็มีเอง เราเป็นไปเองกนะ็เสาะ ส, ะสางหาครูหาอาจารย์อยู่อน่ะมันก็ต้องเป็นไปเองนี่จนมากครูวาาอก็มีทางภาอศสกษาเชียร์ครูมาศึกษาจยอมากมาทางภานี้มากกว่าภาอืนะอ่นนีทำหน้าทอัศต ร, รย์จริงนะ คิดดูเชื่อคิดเคยคิดเมื่อไรคือมันท้อใจนะต้องที่ไหนมันตั้งก็เหนื่อยแรงกเลนยจ้ะมตก่นก็บึกบืนมาง่ายการเกิดการตายบึกบืนมาก็ไม่เห็นเฉกเห็อยาถึงทุกเห็น้านี่จะใครก็อยากเกิดแต่ลนั้นอยากเกิดตรงนี้เลยเชื่อวาไม่อยากเกิดจะได้ไหนวะให้เกิดจะนั้นให้เกิดอย่างนี้เลยก็งั้นเฉดกองทุกันเอง อ๋อพอนี้เจ้าที่นี่มันโถวงนั้นเลยท่านน่ะเป็นยังไงต่างกันไว้ละเพราะธรรมาชาตินี้เจ้าขึาน้นมาอย่างไม่คาดไม่สันเรียนอศัศจรรต่อเกินคาดไปเสียอล้วเกินไปเสียทุกอย่างไปเลยได้มองสภาพที่เคยเป็นหลานี้โหโถนั่นต่อความมมดบอบของสัตว์โลกนี่ โอ้โจะสอนได้ยังไงยงถึงขนาดอี่แล้วจะไปสอนใครได้ น, นีไม่ดีก็หาว่าเป็นบ้ากันทั้งโลกนะใครจะไปเชื่อได้ใครจะมาเชื่อนอกจากก็ห า, าว่าเราเป็นบ้าคนเดียวเอออยู่ไปจงไปวันหนึ่งพอถึงวันแล้วเอาละตอนนั้นพอสอนก็ไม่มรู้แล้วว ไปจริงนะผมไปนหัวใจผมเองนั่นแต่ก่อนนั้นไม่เคยเปยเวลานี้ขาวขึ้นมาต้องต้องมองดูสภาพแบบนี้โอ้โหนันเป็นคนแล้วแต่ว่าโลกเป็นคนละโลกไปเลยนะโอ้อยมาสอนใครึี่วัดนเี้นี่เพระเจ้าทรงทอดพระทัยมันเข้ากันได้ ท, ทันทีนะแม้เราตัวเท่าหนูเราก็ไม่ยา้วัดรอยความเป็นอย่างนั้นมีจะให้ว่างหะไตัวเท่าหนูมันก็เป็น โอมันคอใจจริงๆนะโอ้โหบุคคลไหนนีดด่แล้วจะพูดกับใครฟังได้อนะพูดกครฟังก็มีใครเชื่อนอกจากเขาจะหาว่าเราเป็นบ้า อ, อย่างเดียวอือยู่ไปจรงไปวันพอถึงกเวลาแล้วก็ไป่นั้นลวะอนยะ่นะีปนระมาณพิย้อนหน้าย้อนหลัง่เรงมันก็มาสำรวตัวเอง เราไม่มาสืบต <m í Emily nói> mm ัวเองนะไหนเราจะว่าจะมีใครรู้ได้เห็นได้ไม่มีใครเชื่อได้จะมีใครรู้ได้เห็นได้แล้วเป็นเทวดามาจากไหนล่ะก่อนแล้วก็ไม่เห็นรู้ที่นี่มันรู้รู้พ่ออยู่ไหนเพราะว่ารู้พ่ออยู่ไหนมันก็วิ่งถึงกุญจวะธาเครื่องยำเนินมาที่รู้ได้เขาเห็นได้นห่นาหละสายทางมันอยู่นั่นแห่ะก็มาถึงที่นี่แล้วก็เมื่อ มีแนะนำตอวสอนมีผู้รู้เห็นผู้ปฏิบัติตามสายชานี้มันก็ต้องมาลูบหลังก่นนอนห น, นึ่งหลันก่อนหนึ่งหนักที่ชงักก่อนนะ<ม>อ๋อพอรู้ได้หนักไม่ตัดกิจกาด้วยเนี่ยเออพอรู้ได้ถึงไม่มากก็รู้ได้หนัก<ม><ม>พอมีสายชางพอให้ก้าวาตามนี้เถอะสายชางสอก็ทําที่จัดไว้จากไว้เพื่อพระพุทธผ่านล้วนล้ว น, วนให้ดาเนินตามสายชานี้ออรู้ได้<ม> ถึงโยงใจนะอ๋อไม่มากก็ได้แน่พระะว่าเจ้ามีพระมหาพรมราชนาอพร้อ ม, อมอกับพระยุงพระยานอย่างท่าสจากตัวโลกแยกออเป็นสี่ระเภทนะอ๋อพอรู้ได้ ม, มีความยอมย่ำต่าสูงก่นนี่คือพวกที่จะรู้จะเห็นมีอยู่นะบุคคิกันอยู่วิบฏติจกันอยู่เนอยอยน พอรู้ได้แลวนอกจากประลรวมะเหมือนภูเขาทั้งลูกันอนจรสอนโลกท่านสอนก่าพระญาจัางทราบตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละเวลามาตัดสูกและสั่งสอนโลกโหันก็เอาหยิบยกเอาตามที่นั่นที่พอจะเป็นประโยชน์ประเภทเหล่านี้มีอยู่ นาดไหนก็ไปตามนั้นตามนี้อย่างนั้นกับว่าพระประธานอมมาเนยยะเนยยะกับพระธปรมะมันก็แย่งกันอะไรอย่างพวกเรานี่พวกว่าเนยยะกับพระธปรมะมันเถียงกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันพอจะเดินย่องก็เนยเท่าก็กอดนั่นประธาตปรมะเอาไปกินแล้วนะอืหลับคลอดคล้องในหมอนงานพระธาตุปรมะมันติดอยู่กับทุกคนนะ มันเนยยะพอุดพอลากไปได้เนี่ยแต่มันไม่ชูไปลากก็ได้มันก็ไปอะไรที่มันจะมันเออมันฟาดลงหมอนซะก่อนทีพระท้าบรมมันล่ากลงหมอนซะก่อนเนี่ยอ่ะมันะแย่งกันอะไรที่นรกกับสวรรค์นี่พาไปแย่งกันระลกซ้มากกว่ามากอเวลามันยังไม่ได้ลักได้เกณความขี้เกียจยู่ค้านอยู่นั้นหมดนะแต่พอได้ลราได้เกณฑแล้วความก็อย่างมันจะเริ่มนะพอได้เลาไเกณฑมากที่นี่ดื่มเราที่นี่ดื่มดื่มดื่มเลยเี่ย อย่างที่ว่าได้ลั่งเอาไว้หน่อยอ่านเห็นไหมล่ะตอนหนึ่งวอนนี้ผานอยู่ชั่วเอือ้องชั่วเอือ้องชั่วเอือ้อมขยับขยับขยับทีนี้คําว่าความเพียรไม่มีนอกจากเราจะพูดรวมยอดไปเลยว่าเพียรเพื่อค้นถูกนั่นะแต่ในประโยคที่พี่ทำไบนี้มันไม่มีแล้วคำว่าได้เพียรนะที่จะลั่งเอาไว้ลั่งเอาไว้แต่ความหวังค้นทุกนั่นมันดึงไว้นู่นอเพียรเพื่ออนนั้นหวังที่จะประคองความเพียรถูไถ่ยกันไปโว้ยไม่แล้ว มันจะหมุนจี่จี่จี่อะไรหรอกเดินโกรมจนออกร้อนเท้ากรผมฝาดเท้าไม่แตกนะก็ยอมรับว่าไม่แตกเนี่ยถ้าสวยนะ้าท่านเดินโกรมฝาดเท้าแตกมันวิ่งถึงกันนะอย่างนี้ถ้ามันมีมันมีหลักเกณฑ์แลนะ้วมันวิ่งถึงกัน <c oughs> ที่ว่าธรรมดาเดินโยกรมจนฝาดเท้าแตกห่ือไม่ มันแทบจะเข้าไปหาขั้นเหลือเชื่อนะเ อ, อฟื่องเดินวงกลมจนฝ่าเท้าแต่ฝืนเดินมึงพอว่าความเพียรอัตโนมัติเท่านั้นไม่ก็หมอกนะ่มันลืมวันลืมคืนมันไม่ได้สนใจกับเวลามเวลา เ, เหนื่อยเมืเ่อไรอะไรนะมันหมุนเพรามันเป็นอ่าถ้ า, วามวยก็เข้าวงในตลอดเลยหมุนที่อยู่ที่อยู่ภายในหัวใจเดินวงกลมเข้าป่าโครงามโครงพามผมไปเองคือกินมันไม่ออก ตาก็มืดมัวไปหมดนะกินไม่ออกที่อย่างเดียวตานี่ก็ไม่มีความหมายนะเดินยโยกงกระโชซ่าเสก็เข้าป่าเสียโคมข้ามถอยเอามาไปไปอท่านี้มันหมุนมันงมันอ่ง น, นี่ละฝาเท่าแตกได้ว่างั้นเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีวันมีเคินถ้าลงได้ลงทางยงกงแล้วเท่านั้นละ ว, ว่างั้นเลยนี่มันเป็นนาเจ้าของเองถ้าเลยลงก้าวขสูนไปงยกงโอ้ยเท่านั้นแหละว่ะ นี่นี่วันนี้ก็เดินวันหน้าก็เดินกลางคืนก็เดินกัางวันก็เดินเนี่ยมันนานตอนนั้นมันไม่ฝ่าเท่าแต่ได้ยงไงนั่นบวกก็ไปสิเดินเพียงวันหนึ่งวันเดียวมันก็ไม่แตกแต่หมุนของมันจนกว่าที่เยจะสิ้นสรางไว้เมื่อไหร่แล้วหมุนนานเท่าไหรมันจะไม่ฝ่าเท่าแต่ได้งไงนี่ละเชื่ออย่างนี้นั่นพอถึงขั้นของเราเดินนั้นเนี่ยมันยอมรับบางทีคือบางทีผมได้มาดูฝ่าเท้าผม คือมันออกร้อนเหมือนไฟลน น, นั่นอย่างเวลามานั่งแล้วโถออกร้อนถึงหมดเนื่อมันผ่าเท้าแตกหรือมาดูมันก็ไม่แตกของเราไม่แตกนะแล้วก็ยอมแล้วว่าไม่แตกแต่ออกร้อนนี่โถถ้านานกว่านั้นมันจะแตกได้เพราะมันเดินไม่รู้จักประมาณนี่เราความเพียรอันนี้แหละความเพียรสาเท้าแตกความเพียรด้วยความดูดดื่มดูดดื่มตลอดเวลาการความเพียรบางคราบเสื่อนมันจะ ย้อนไปห้าหลังมอนแตกกว่างนันความเพียรห่งรู้พวกเราประเภทหมอนแตกความเพียรของท่านพูดเจริสิทธอยู่พ้นจากทุกความเพียรฝ่าเท้าแตกได้ว่ า, าให้เร่งกุกล น, นะความเพียรเวลาสงบพยายามทําให้สงบอย่างที่พูดนั้นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ทําให้สงบบริกรรม ยาเผออย่าปล่อยเอามันจนนั่นต่อไปมันก็ค่อยตั้งหลักได้แหละทาบริกรรมหนุนก็ไปหนุนไปเดี๋ยวจิตนี้จะค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นสงบสงบอันเร่งเพราะนั้นพอจิตสงบพอสมควรแล้วพิจารณาแยกธาตุแยกขันปัญญาจะเริ่มจะเริ่มออกได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเข้าไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ปัญญาตามขั้นของสมาธิตามขั้นของความสงบ อ น, นี้พอถึงขั้นมันปัญญาที่จะรุนแรงมันก็เป็นของมันไปเองสมาธิดีแล้วปัญญารุนแรงนะแา่ผมนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิเลยคำน้ำํากับน้ําเต็มแก้ววะ่ะไม่มต้องตื่นแล้วลสมาธินี่เป็นหินไปเลยเจ้ามิได้แต่อยากเข้าท่าเดียวแต่ความคิดอะไรต้องทำปัญญาไม่สนใจนะ <c oughs> มันจะหมุนจี่ปั๊บก็เข้าเลยไปนั่งอยู่ที่ไหนมี คิดเรื่องนั้นอันนี้มันลาคาญนะเวลาจิตมีความสงบเป็นกําลังแล้วนะคิดเรื่องนั้นอันนี้มันลาคานมันกวนพอเข้าหนีปัาบหายไม่มีอะไรมาคิดไม่มีอะไรมากวนใจนมันก็ติดละสิเล่ากองทางปัญญาทีแรกมันก็ลาคานไม่อยออกมแต่มันจิตอิ่มตัวแล้วคือออกพิณาไปทางปัญญามันก็ไปถลเอถลเอออกรูปออกเสียงนัไนเตอารมณ์เรานั่นเองมันทําจิตให้หิวโหวย พอจิตอิ่ตัวด้วยความสงบแล้วอารมณ์นั้นไม่มีใส่ก็ทางน้ำปัญญามื่ก็ออกเลยออกเร็วขมเนี่ยพอพแมวของจางขันหนาบตอนนั้นโอ้ยได้สักกี่วันวะฮะเพรามันพร้อมอยู่แล้วสมาธิพอพี่นาวาเอ๊เอ๊ะชอบขนชอบขมนั่นแล้วพี่น า, าอ้าแปลว่าพอบครัวก็ที่กระหน่อก็นนกมันยิ่งรู่เหงาอ๋อที่นี่ก็ขันนาบใหญ่เลย เพินท่านขนาบอีกแล้ว ม, มันเร็วนะปัญญาเนี่ยสมาธิปฏิภาณิกาปัญญามหาปราหอที่ให้สร้างสาอื์ปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมเดินในเคร่องตัวภาษาภาคปฏิบัตินะแต่ทางมายาท่านบอกว่าปัญญาที่สมาธิอบมแล้วย่อมมีผลมากมีอสิสงมากท่านพูดครอบไว้ กว้างขวา ง, วางแต่ทางหน้าปฏิบัติขี้เข้าไปเลยเหมือ ป, ปัญญาที่สมาธิหนุนหลังความหมายว่างา น, นที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วออกได้คล่องตัวนะมันคล่องจริงจงศีลก็บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรสงสัยระแวงระแวงแครงใจในศีลมั น, นมันก็ไม่เป็นอารมณ์เรื่องศีลตัวเองหมวนก็สู่สมาธิพอสมาธิมีความสงบเย็นก็ อิ่มตัวอิ่มอารมณ์หมุนทั้งปัญญามันก็ปี้เเลยปัญญาบฏิภัยตัางจิตต่งซัมมาเดวะอาเสวีมุจจะติกิติปัญญาอารวมแล้วชักฟอกแล้วยังลุพล้นจากดีทั้งปวงโดยชอบงานก็เป็นอย่างนั้ น, นี้ยก็ลงมันได้ประจัก์ในใจมันไม่ได้สงสัยนะ คือรู้เพียงคนเดียวตอนนี้ไม่ต้องไปหาอะไรมาเป็นจักรีพยานนะมันอาจหางขึ้นในหัวใจไงนะคือมันแน่อยู่ในหัวใจนี่เพียงขั้นสมาธิมันก็แน่ว่าขั้นปัญญาก็แน่ประจา ข, ขั้นปัญญาแน่แน่แน่แน่อะไนี่เรียกว่ารู้ด้วยความจริงรู้จริงๆเห็นจริงๆ ร, รู้ด้วยความจำจำเท่าไหร่มันก็สงสัยตลอดเรียนมาสักเท่าไหร่ว่าสงสัยไปตลอดนะ พอความจริงภาคปฏิบัติได้เจอขึ้นมีอ๋ออ๋อนั่นนั่นทีนี้จริงเรื่อยเรื่อยครมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นผมจึงเรียวว่าอรู้ด้ยวยความจากับรู้ด้ยวยความจริงนี่ต่างกันน่ะพูดอย่างเต็มปากไม่เุขท่านนะก็มันรู้อย่างนั้นรู้ความจริงหายตรงใสหายตรงใสเพราะนั้นจึงเดียกว่าพระไกรบิดูกนอกพระไกรบิดูกในเลยส่ใครก็พูดอย่างไม่มีใครพูดแต่ผมพูดเท่าตามความจริง แต่นั่งกับฟาพดพระไกายบโดกตาบอดพระกาปบีโดกตาดีซัดต่อไปอื่นเลยดีพระกายบีโดกตาบอดก็ผู้ชมพระไกายบีโดกมีกิเลเต็มตัวเลยเหมือนคนตาบอดพระไกายบีโดกตาดีก็คือผู้ทรงพระไกายบีโดกนันเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นคือพระอรหันต์นั่นท่านทรงพระไกายบีโดกคําว่าพระไกายบีโดกนี่ก็แยกมาคุ่ยเฉยหนะทาทาธรรมดาก็คือแยกออกจากพระสูตรพระมีนายพระประมาท แยกเป็นสามแขนเรียกว่าปีโดกปีโดปีตะกาปีโดกมันแปลว่าภาชนะฮภาชนะสําหรับอรับรับพระวินัยรับพระสูตรพระปรมาตอะปีโดกกระโดดใช้มาพูดทีหลังนะฮะไหนนั้นท่านครองไม่หมดแล้วถ้านมามาพันธนาแล้วว่าพระสูตรพระวินัยพระโดกพระสูตรก็เป็นเรื่องรล่าของสัตว์ของคนพระวินัยก็คือกฎหมายพระเนียพระปรมัต๊ะ พูดถึงเรื่องนามธรรมนี่ปัจนาไปเรื่อยๆนันก็มีทนายหลักธรรมชาตินะแต่แยกออกมานี้มันก็ไม่ผิดท่าแยกถูกต้องแยกว่าเภทออกมานี่ประเภทนี้เป็นศีลประเภทนี้เป็นพระสูตรประเภทนี้เป็นพระปรมาทําขั้นสูงขั้นละเอียดนะ่นก็ไม่ผิดไม่ผิดอะไรหรือเ่าเนี่ยเราเนี่ยมันท่านคล้องไม่หมดแล้วในหัาใจของท่านอย่างนี้วะถ้าว่าพระไกรบิดกกับพระไกรบิดกใน พระกายวิโดกนอกคืออยู่กตามคอมพีพระกาวิโดกนอกพระกายวิโดกตาบอาบดพระกายวิโดกตาดีพระกายวิโดกตาบอดเรียนได้ขนาดไหนตามใจมันยังบอดอยู่นั่นที่เลียปิดหัวไใจอยู่นั่นอพระกายวิโดกตา ด, ทา ด, ตาดีท่านรู้รรท่านคลองไว้หมดแล้วอืจิตใจบริสุทธิ์พูดโทเต็มที่แล้วนั่นพระกายวิโดกตาดีนั่นมันต่างกันนะเราก็แยกอธิบายบว่าไม่มีใครพูดแล้วเราก็ถอนจากความจริงมาพูดผิดไปไหนวะ เรียนพระกายวิโดกแล้วก็เรียนเวลามันบอดมันก็บอดอยูน่นันไม่บอดมันสงสัยบาปบุญในโลกสวรรค์นี่ผ่านที่ยหญ่มันก็สงสัยตลอดเวลาในตาบอดพีนีเวลามาเรียนรู้ความจริงเข้าไ ป, ไปในนี้มันหายหมดเลยสิ่ ง, งนั้นสดแล้วร้อนอยู่เงี่นั่นทีนี้พูดอย่างนี้ทีนีหน้าวิโกกับสัตว์โลกเลยยิ่งพวกที่กรรบาปนั้นหนาเนี่ยไม่แหย่ทีพวกนี้มันมันเกินกว่าที่จะรับ ฟังเรื่องบาปแล้วบุญก็ไม่สอนมันเสียแล้วปล่อยมันทําตามกรรมมันเองห้ามมาอยู่แล้วก็ปล่อยตาเรื่องนะแล้วพวกนี้แล้พวกที่ทำบาปกำรหรนักมากที่สุดลงและโลกที่เป่งเม่อไหร่ท่านเนะเขาบอกว่าน้ำโลกไม่มีเขาไม่กลัวเออยิ่งกล้ายิ่งหานแบกหามของถูกนักเข้าโดยลาดับนะผู้ดีเจ้าทั้งหลายกลัวทั้งนั้นสอนกลัวทั้งนั้นนะเหตุใด คนตาบอดนี่ันไม่กลัวเหมือนต้นไม้แล้วคนตาดีกลัวคนตาบอดมันชนเลยนั่นนี่แหละใจบอดมันก็ชนเลยน่ลุกอวิ๋งขี้เลยไม่ว่าชนเลยอ๋เอเหรอไอ้ น, น้อเดลยวกันละเอาเก็บจะพอเลี่สักถึงชุ่มแล้วเนี่ยถ้าประชุมก็นานวันนี้สองชั่วโมงครึ่งประชุมนี้สองชั่วโมงครึ่งกาแล้วก็ไปให้ไม่ใช่เนี่ อันนี้มันีคนมาแล้วมีจะปกป้าล้วครับมาทำไมโอ้ยมาหยกลุกจัเดินไปไหนดิดิเนี้มันเป็นยังไงนะอ่อนขนาดนั้นแหละผมอากาดไปละอากาดก็ไปเรื่อยไไปละอ๋ออผ้าเปลอผ้าดูก่อนเลย ภาาเลยนเนี่อย่างนี้ไปยังไมูลนิธิอันยวันไม้เทพเมื่อย่ายิ้นังข้านเทพไปงสมเกียคนเาเกียดคนไม้เทพมูอนิธิป่ายิ้มบนดงข้ามน้ำแบบเทพสมเขเกียจ่ายิ้มไหมสมเกเมนเหสมสม อเอาเถอะเราก็แย่กั น, เ, น, กนเป็นยังไงละ่ะฟังเกตโหโอยท่านพ่อเทพดีว่ามีตลกด้วยคือกันมีตลกค็มีอันนั้นมันไม่ตลกเทพเจ้เลี่ยงท่านพ่อเทพดีมีตลกด้วยแล้วมีท่านแทรกเข้าไปตลกมีตลกด้วย